ตอนที่หนึ่งรที่แท้ก็ชอบเวินโม่เหล่าลูกหลานของท่านผู้โทเซียต่างพากันเตรียมงานศพกันแล้วหลี่วันเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างนางไม่เคยประสบกับเรื่องแบบนี้จึงรู้สึกว่าการเตรียมสิ่งของเหล่านี้ในตอนนี้มันเร็วเกินไปราวกับว่าพวกเขากําลังเฝ้ารอให้ท่านจากไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหลี่วันบอกกล่าวกับพยาบาลก่อนจะเดินเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยนางมองดูท่านผู้โทเซียที่นอนอยู่บนเตียงเห็นได้ชัดว่าท่านผอมลงไปมากพอคนเราล้มหมอนนอนเสื่อร่างกายก็สุโทมลงทันทีอาจารย์คะ ลิวันเรียกด้วยเสียง่เบาท่านผู้ทอเซียเพียงแค่ขยับเปลือตาเล็กน้อยแต่ไม่มีการตอบสนองนางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะนำแผ่นโสมออกมาจากมิติแล้วสอดเข้าไปในปากของท่านรออยู่พักหนึ่งก็เห็นเปลือกตาของท่านผู้เทอีกครั้งเสียววเส่ยหานเงอ่่านเนืจกไมไปิดปปปาาาาากพููดมเเเ็นนนนวลานานท่ผ้ซียรือตาขึ้นครึ่งหนึ่งพยายามจะอ้าปากแต่พระมีบางอย่างอยูอย่ในปากทําให้พูดลําบากเล็กน้อยอาจารย์คะท่านเคยบอกไม่ใช่หรือว่าจะรอดูหนูเรียนต่อปริญญาเอกและแต่งงาน ตอนนี้ท่านจะผิดคำพูดหรือคะน้ำเสียงของหลีหวันเริ่มสั่นเครือนนางสู่จมูกเล็กน้อยศา ส, สตราจารย์เจียงบอกหนูหมดแล้วทำไมคำพูดบางอย่างท่านถึงไม่บอกหนูด้วยตัวเองล่ะคะฉันนี่มีโอกาสนั้นแล้วละ่ะท่านพูโทเซียอาปากผู้สายตาเริ่มพร่าเลือนท่านสูดลมหายใจเข้าลึกๆเสี่ยวหวันนี่เธอเอาแผ่นโสมให้ฉันกิน ง, งั้นเหรอหลีหวันนพยักหน้าเบาๆ เ, เ, เพื่อช่วยพยุมกําลังวังชาของท่านไว้ไม่ต้องสิ้นเปลืองหรอก ท่านพูเทอรเซียพูจบก็หอบหายใจแรงท่านพักครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อตอนนี้ฉันรู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีแล้วเธอไปบอกพวกลูกๆของฉันเธอว่าไม่ต้องยือ้อฉันไว้คนเราแก่แล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันนี้ปล่อยฉันไปเถอะอาจารย์ขะคาพูดนี้หนูไม่ช่วยบอกหรอกค่ะท่านต้องบอกเองขอบตาของหลีวันเริ่มร้อนเผาถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดเองเถอะขะพวกเขาอยู่ข้างนอกกันหมดเดี๋ยวหนูจะให้พวกเขาเข้ามานะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านพูเทอรเซียหลับตาลงพักอีกครู่ก่อนจะกล่าวต่อว่า เซวันเห็นแกที่ฉันกำลังจะตายแล้วเธอช่วยบอกความจริงกับฉันหน่อยเถอะว่าวิชาแพทย์แผนจีนของเธอนะั้นมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดใช่ไหมไม่ใช่คะหลีหวานสายหน้าโลกนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ได้อย่างไรกันอาจารย์คะท่านไม่ต้องกลัวนะคะคนเราไม่ได้ตายไปเฉยๆเพียงแค่ย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งเท่านั้นความสําเร็จที่ท่านสร้างไว้ที่นี่เป็นเพียงแค่บทหนึ่งที่จบลงและท่านจะได้ไปเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่นั่นอย่างดีแน่นอนคะ่ะหลีหวานพูดเช่นนี้เเพพียยงงาต้้ออกรปลโนน่่ใหทหทวดวดั ความหวาดกลัวก่อนความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากท่านพูเทาเซียพยักหน้าเมื่อหลี่หวานผู้จบก็นําลูกหลานของท่านเข้าไปความจริงแล้วท่านพูเทาเซียหมดสติไปนานแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ไม่สามารถทําให้ท่านฟื้นขึ้นมาได้ครั้งนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่านี่คือภาวะฟื้นคืนสติก่อนตายท่านคงจะมีชีวิตอยู่ไม่พ้นคืนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่หลี่หวานได้สัมผัสกับการจากลา นางรับรู้ได้ว่าเมื่อเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านไปคนรอบข้างก็ต้องจัดนางไปไม่ช้าก็เร็วทั้งปู่ย่าพ่อแม่หรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนิทมากกว่านั้นแม่หลีหวันจะเป็นหมอแผนจีนแต่ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติเมื่อต้องผเผชิญกับความเกิดแก่เจ็บและตายสิ่งที่หมอทําได้นั้นมีจํากัดหลีหวันอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงเวลาประมาณหกโมเย็นเมื่อได้ยินเสียงร้องให้โหดังมาจากในห้องพักผู้ป่วยนางก็ตระหนักได้ว่าท่านผู้เทาเซียได้จากไปแล้ว งานศพถูกจัดขึ้นและเสร็จสิ้นพายในเวลาสาวันหรือจะพูดให้ถูกคือสองวันครึ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จากไปสิ่งที่คนเป็นทำได้ก็คือการระลึกถึงหลีหวานไม่ต้องไปเรียนกับท่านผู้เท่าเสียอีกต่อไปนางจึงไปลงชื่อออกตรวจที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารโดยตรงเตรียมตัวที่จะทำงานไปเรียนไปเหวินโม่รีบก้าวตามนางมาติดติดโดยเริ่มจากการยกระดับความรู้ทางวิชาการก่อน เวนโมมีเจตนาแอบแฝงเขาปฏิเสธคําแนะนําของาศาสตราจารย์เจียงและตัดสินใจอย่างแน่แน่ที่จะเข้าทํางานที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหาราศาสตราจารย์เจียงจนปัญญาจะพูดไม่ว่าจะพูดดีหรือพูดร้ายอย่างไรก็ไม่ได้ผลเลยแม้แต่นิดเดียวต้านทานความขพังรักของเขาไม่ได้จริงๆช่างน่าเสียดายนักเรียนที่อุตสาห์ฟูมฟักมาอย่างดีคนอื่นเขาไปที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารเพราะเขามีเส้นสายแล้วเธอไปจะทำอะไรได้ ศาสตราจารย์เจียงปวดหัวจนแทบระเบิดเขาได้รับไปคําร้องขอของเวนโมอีกครั้งหลังจากที่แอบทําลายทิ้งไปหลายฉบับแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังดื้อดึงไม่เปลี่ยนใจศาสตราจารย์ครับนี่คือการตัดสินใจของผมเองท่านเคยบอกไม่ใช่หรือครับว่าทองคําอยู่ที่ไหนก็ย่อมส่องประกายใช่ฉันเคยพูดแบบนั้นแต่เงื่อนไขที่ฉันพูดคือทองคําที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารนั่นมีอนิมานิมค่าอยู่แล้วก็หนึ่งแล้วทองคําอย่างเธอจะไปมีประโยชน์อะไร แสงสว่างคงถูกอั ญ, ญมณีก็นั้นบดบังจนมิดไม่มีทางได้ลืมตาอ้าปากไปตลอดชีวิตแน่ถ้าเธอกลับบ้านไปสืบทอดกิจการของพ่อเธอฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่วิธีการที่เธอทําอยู่นี่มันโง่เกินไปแล้วผมจะถือว่าสหายหลีหว่านเป็นเป้าหมายและจะพยายามครับแล้วถ้าฉันจัดให้เธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่สอ ง, สองเธอจะไม่พยายามนั้นเหรอศา ส, สตราจารย์เจียงยกมือขึ้นนวดหน้าผากอย่างอ่อนใจเรื่องนี้ฉันต้องไปปรึกษากับครอบครัวของเธอให้ดีเธอจะตัดสินใจเองคนเดียวไม่ได้ ไม่ต้องปรึกษาหรอกครับตอนนี้เรื่องของผมผมตัดสินใจเองได้คุณปู่ของผมท่านไม่ก้าวไายครับฉันต้องรับผิดชอบต่อเธอนะทั้งที่รู้ว่าข้างหน้าเป็นหลุมเป็นบอ่อจะปล่อยให้เธอโดดลงไปต่อหน้าต่อตาได้ยังไงหากเวินโม่ไปที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารจริงๆชีวิตนี้ของเขาก็คงจะจบสิ้นในฐานะหมอหากไม่มีคนเข้ามาหาให้รักษาโรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารมีป้ายชื่อที่มีชีวิตอยู่แล้วคนหนึ่งใครเขาจะมาหาหมออันดับสองกัน อีกอย่างโรงพยาบาลที่สองก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากโรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหาร น, นะทําไมเขาถึงต้องอยากไปเป็นเพื่อนร่วม ง, งานกันขนาดนั้นต่อไปต้องเจอกันทุกวันไม่ให้ได้พักสายตาเลยหรือไงเวนโม่ฉันรู้ว่าเธอดื้อแต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เมื่อศาสตราจารย์เจียงพูดมาถึงตรงนี้น้ําเสียงก็อ่อนลงเล็กน้อยเชื่อฟังเถอนะศาสตราจารย์ครับคําพูดนี้ผมขอมอบคืนให้ท่านเช่นกันไม่ไปก็คือไม่ไปครับเวนโม่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้ว ก็ได้ตอนนี้ฉันถือว่าคุมเธอไม่ได้แล้วจริงๆเธอจะทําให้คนโมโหโจนตายสุดท้ายเหวิรนโม่ก็ได้เข้าทํางานที่โรงพยาบาลประชาชนที่หนึ่งประจำเขตทหารจนได้เป็นการตัดสินใจของเขาเองที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้หลีหวานไม่ได้ใส่ใจเขาจนกระทั่งถึงเวลาออกตรวจนางถึงได้สังเกตเห็นชื่อของหมอเหวิรนโม่วันนั้นหลังจากเลิกงานหลีหวานยังจงใจว่าไปดูด้วยความสงสัยว่าจะเป็นคนชื่อซ้ํากันหรือไม่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นเขาจริงๆเสียหวานคุณยุ่งเสร็จแล้วเหรอ วันนี้ผมทำงานวันแรกเราสองคนไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมยินนี้คงไม่ได้แค่ฉันมีนัดแล้วลิวานปฏิเสธอย่างนุ่มนวล น, นางยกยิ้มที่มุมปากยินดีด้วยนะไม่นึกเลยว่าเป็นคุณจริงๆดูเหมือนว่าหลังจากนี้เราคงต้องเป็นเพื่อนร่วม ง, งานกันแล้วนั่นสิครับเวินโม้ยิ้มอย่างเขินอายทั้งสองคนเดินออกจากโรงพยาบาลตามกันมาหลี่วานเห็นรถที่คุ้นเคยจึงก้าวเท้าเดินเข้าไปหาเวินโมร่างอรชรหนึ่งรีบลงจากรถด้วยความรวดเร็วจนเกือบจะชนเข้ากับหลี่วาน หยวนเย็ยนเย็ยนพุ่งตัวเข้าไปหาเวิรนโมด้วยความดีใจดวงตาเป็นประกายขณะมองเขาคุณเลิกงานแล้วเหรอเหนื่อยไหมไปกินข้าวกันเถอะพอดีเลยให้พี่ชายฉันขับรถไปส่งพวกเราหยวนเศร้าเหิงที่กลายเป็นคนขับรถไปโดยปริยายเขาตั้งใจมารับหลีหวานหลังเลิกงานไม่นึกเลยว่าจะมาเจอน้องสาวของตัวเองโดยบังเอิญตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญใครจะไปรู้ว่าหยวนเย็ยนเยียนมีเป้าหมายชัดเจนตอนแรกเขายังสงสัยว่าแฟนของหยวนเหย็ยนเย็ยนหน้าตาเป็นอย่างไร พอเห็นว่าเป็นเหมือนโม่เขาก็หายสงสัยทันทีหลีหวันเองก็เพิ่งจะมารู้สึกตัวเอาตอนนี้คงไม่ใช่หรอกนะไม่เป็นไรครับผมจะกลับบ้านไนมะ่อยากรบกวนที่ชายคุณน้ําเสียงของหวหนโม่ดูหังเหินเขาปลายตามองหยวนเย็ยนเย็ยนเพียงแวบเดียวก่อนจะท่อสายตาไปหยุดอยู่ที่หลีหวาน